ในวัดของเราก็ยัง42รูปเท่าเดิมแล้วก็พระที่ไม่มาฉันวันที้2รูปพระมาฉัน40รูปวันนี้เป็นวันที่9ตุลา52แล้วก็วันที่10ที่จะถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่10ตุลา52เป็นวันกรถิ่นวัดป่าบ้านตาด แล้วกับวันที่สิบอดตรงกับวันอาทิตย์ตุลาห้าสองกระถินวัดของพวกเราอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้เห็นมีเต็น์มีโต๊ะโรงทานที่เตรียมเตรียมมาไว้พวกเราเทียนนี่แหละคือวันที่สิบเอ็ดตุลาปีนี้เป็นกระถินสามคัคคีเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่เจ้าหลักปีนี้คงจะเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเจ้าภาพวันนี้ แล้วกัท่านสภาพัฒดออรอัมพลกิติอัมพลกับคณะกระคงจะมาร่วมแล้วกักลุ่มรถไฟแล้วกักลุ่มโรงสีที่ถอดกระถิ่นทุกปีที่ผ่านๆมาก็ไม่กี่กลุ่มศรัทธาญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายที่รู้รูรรเ้เห็นกันอยู่ก็เป็นกลุ่มของพวกเราเป็นกรถินสามัคคีหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เน้นหนักเพียงแต่ว่าปีหนึ่งให้ผ่านๆไปถ้าผ่านไป แม่ว่าท้าว่าไม่มีกระถินในปีหนึ่งก็ลูกหลานจะทายาติโยมที่เกี่ยวข้องกับวัดก็คงจะไม่สนิทใจไอ้ทาไมกรถินของเราไม่มีอย่างนี้นก็ทําให้ไม่สบายใจทาวว่าพวกเราร่วมร่วมกันทอดซะให้มันผ่านผ่านไปเพื่อความสบายใจทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้หลวงพ่อมีความปรารถนาสูงสุดเพียงเท่านั้นแต่เรื่องจะได้จะตุปใจอย่างไร ท่านได้กด็ดีเพื่อจะได้มาพัฒนาวัดวาศาสนาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพอได้มาหนุ่มพ่อก็ได้ช่วยวัดของเราบ้างแล้วก็ช่วยวัดบริวารบ้างแล้วก็ช่วยโรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ท่านได้มาเราก็ได้แจกจ่ายไปตามความจำเป็นที่มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไร สรุปแล้วก็คือสบายทั้งขึ้นทั้งลงเพราะงั้นจะได้มาก็สบายจะได้แจกจ่ายกันให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมแต่ไม่ได้เป็นไงไม่ได้ก็สบายหลวงพ่อไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องคิดนู้นคิดนี้เพราะมันไม่ได้คือสรุปแล้วสําหรับพระนี่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ต้องกระเสือกกระสนเรื่องวัตถุภายนอกแต่ข้อสําคัญวัตถุภายในทางด้านจิตใจจุดนั้นสําคัญ คือนั่นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระรหัสสาวกทั้งหลายท่านเน้นหนักไปสู้ในป่ารงพงไพรหาวิเวกภาวนาครยๆแบบสู้กับกิเลสจุดนี้แหละลอดลม้มรอดตายว่างั้นเถอะก่อนทจะได้มาเป็นสุปฏิปัโนพุทธโธสุปฏิปัโนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้กราบไรวาย เพราะนั้นพวกเราอย่าไปถือว่าสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่มีสาระประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านยังบอกตรัสคล้ายๆกับประนามหรือว่าบอกกล่าวอย่างเผ็ดร้อนแก่พระเทวทัตคือพระเทวทัตถ้าไม่มุ่งหวังในธรรมแล้วก็ต้องมุ่งหวังทางโลกอันนี้เป็นของธรรมดาถ้าบอกพระองค์ใดก็ตามถ้าค้นคว้าไข่คว้ า, วาหาธรรมไม่เจอก็ต้องไขค ว, ว้าไปทางโลก ถามว่าผู้ใดไก ว, ว้าไปทางธรรมเจอธรรมหลักธรรมนำธรรมเข้ามาสู่จิตใจจิตใจรู้สึกได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขอันนั้นแปลว่าดื่มด่ำในธรรมก็จะหันหน้าเอาหาธรรมมีแต่ช่ำระกิเลสไปเรื่อยๆจนถึงบริสุทธิ์ถ้าเมื่อบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วก็หมดความหมายที่จะกระตือหรือล้นไปทางอื่นเพราะได้มาหาสมบัติแล้วไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าได้มาหาสมบัติ ทางจิตใจถ้าได้มหาสมบัติทางจิตใจและเลิศประเสริฐกว่ามหาสมบัติภายนอกเป็นไหนๆแต่ถ้าว่าคว้าตัวนี้ไม่เจอแต่นี่คว้าตัวนี้ไม่เจอกว่าทางนอกคว้าทางนอกมันง่ายกว่าจะหาวิธีการอย่างไรจึงจะได้รับอติเลกาลาบจากภายนอกแต่นี่เมื่อพระเทวทัตยอย่างที่ว่านั่นน่ะท่านก็ค้นไยคว้าหาธรรมะข้างในไม่เจอท่านก็คไยคว้าไปหาภายนอก เพราะว่ายศตะกูลของท่านก็พร้อมอยู่แล้วเพราะท่านเป็นเจ้าฟ้าชายจากนั้นท่านก็ไ ข, ขว่าไปที่ไหนใครก็ให้ความเคารพยำเกรงอติเลกราบก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็พูดแบบประนามหรือว่าบอตามความเป็นจริงอ่างนั้นบอกว่าอย่าไปไ ข, ขว่าหาภายนอกการเสาะแสวงหาลาบก็ดีลาบก็คือทรัพย์สมบัติ ลาบยศสนะเสริญกว่าดีให้คนยกจ้องสนะเสริญกว่าดีอันนั้นเป็นน้ำลายเป็นเสเลดน้ำลายของพระอริยะเจ้าถ้าว่าผู้ใดเป็นสนใจในเสเลดหรือน้ำลายยังไปกินน้ำลาย ค, คือกินท้ำลายของพระอริยะเจ้าที่ท่านถุยออกไปแล้วพระพุทธเจ้าพูดถึงขนาดนั้นนะเคล้ายกับท่านเน้นให้มาหาธรรมะนี่แหละ ทุกๆ ท, ท่านได้ฟังเอาไว้ว่าจุดยืนของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งมั่นมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นท่านมุ่งหมายมุ่งมั่นเรื่องอะไรที่เป็นหลักของท่านแก่นสารของพระพุทธศาสนาคืออะไรถ้าพวกเราได้ศึกษาเข้ามาลึกๆแล้วพระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องธรรมคือนามธรรมคือความหลุดพ้นคือชําระใจที่ตัวแยกๆที่มองเห็นแยกๆนี่แหละคือนามธรรมตัวนี้แหละ จะชำระอย่างไรจรึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมารจะชำระอย่างไรจรึงจะหมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงนี่จุดนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าสอนภาษาบอกแนะนําพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในพระไตรปิฎกก็ ด, กดีทั้ง8ปดหมสี่พันพระธรรมคันถ้าว่าเรื่องทางจิตใจและคือหาหลักแล้วจะต้องเข้ามาหาจุดนี้ ถ้าหลักใหญ่ๆก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาแต่สําหรับศรัทธาญาติโยมว่าทานศีลภาวนาทําไมพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักไปทั้งสองอย่างสําหรับฆราวาสญาติโยมก็ต้องมีทานถ้าคนไม่มีทานไม่มีน้ําใจไม่มีการเอื้อเฟื้อเกลือแผลไม่มีน้ําจิตน้ําใจแล้วโลกทั้งโลกจะเหงื่อแห้งไม่มีความเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเหมือนกับต้นไม้แห้งโ ด, ดเดดูอย่างนั้นละ่ะ ไม่มีการปกครองเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันไม่มีใบไม้เหมือนต้นไม้อยู่ในป่าต่างตัวก็ต่างไม่มีใบตลอดไปอย่างนี้เป็นยังไงโลกทั้งโลกก็เหี่ยวแห้งอับเฉาถ้างว่าโลกทั้งโลกมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเหมือนกับต้นไม้มีดอกมีผลทุกต้นก็เป็นดอกผลแต่ละต้นกันให้ดอกให้ผลที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกทั้งโลกก็ เยี่มยมเยมแจ่มใสยอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่ามีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเหมือนกับต้นไม้มนุษย์ของเราก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันมีแต่จะอรัดออาเปียดมีแต่ฉิงดีชิงเด่นกันมีแต่มองกันในแง่ร้ายเห็นกันแล้วก็ตาเขียวใส่กันแล้วก็พร้อมกันก็ใครเพียงพล้ําแล้วก็เหยียบมันสรุปแล้วก็คือไม่มีน้ําใจ ไม่มีเมตตาในจิตใจโลกทั้งโลกก็หาความผาสุขไม่ได้ในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ทานทานะคือให้อภัยอันนี้ก็คือทานให้เข้าน้ำโพชนาอาหารคืออามิสทานให้ความรู้ความฉลาดวิทยาทานแนะนำธรรมะให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสีว่าให้ธรรมทานคำว่าทานคานี้มีมากมายในหลักของพระพุทธศาสนา คนนั้นอย่าไปคิดว่าทานคือควักเงินออกมาจากกระเป๋าและกระบอิจาคไม่ใช่อันนั้นคือทานส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่อันนั้นก็คือทานเหมือนกันแต่ว่าทานกว้างขวางออกไปแล้วมีมากสําหรับคารวะศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิทําจิตใจให้มั่นคงไม่ให้จิตใจวกแวกไม่ให้จิตใจปุงฟุง้งซ่านถ้าคนจิตใจปุงฟุง้งซ่านถึงจะมีเงินคําทรัพย์สมบัติถึงจะมีบริวารมากมายขนาดไหนก็เถอะ เห็นไหมพวกเราบางคนถึงจะมีมากมายแต่เป็นบ้าในกลุ่มคนที่มีตระกูลอย่างนั้นมีตั้งเยอะแยะไปเพราะเหตุไรเพราะว่าคนขาดสติมันได้เลือกชาติชั้นวันณะเหมือนกันเพราะนั้นคนบ้าก็คือคนขาดสติพราะพุทธเจ้าทว่าสติสัมปชัญญะถ้าพวกเรามีสติสัมปชัญญะแล้วนั่นแหะเลิศประเสริฐเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกเรื่องสมาธิในเมื่อสมาธิแล้วยังไม่พอ ยังพิจารณาทั้งด้านปัญญาอีกปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลให้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคายจากนั้นก็หลุดพ้นถึงวิมุตติยาทัศนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้ก็คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนพวกคณะัทย า, าิโยมจากนั้นท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลมากมายในยุคสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าไปเทศที่กรุงราชสุ ที่พระพุทธเจ้าโปรดกรุงราชคือเมื่อโปรดชนินสามพี่น้องจบแล้วก็เข้าไปในกรุงราชคือพระพุทธองค์ไปเทศในวันนั้นสัทยาญาติโยมในกรุงราชคือได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลสิอน้าหุ่นสิบอน้าหุนนก็คงจะคนเป็นล้านเหมือนกันนะได้สําเร็จเป็นพระรหัน์ก็มีพระนาคามีก็มีพระสกทาคามีก็มีพระโสดาบันก็มีอย่างน้อยก็ได้นับถือ ภัตไตรสารณคมคือพระพุทธเจ้ารพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักสิอนาหุดนั้นนี่นแหละคือพระพุทธองค์วัดแสดงธรรมศรัทธาญาติโยมได้สําเร็จมรรคผลรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมมากที่สุดในยุคสมัยนั้นครั้งหนึ่งจากนั้นพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมปโปรดมาเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะมาเป็นพระได้ก็คือศรัทธาญาติโยมเมื่อท่านเหล่านั้นได้สําเร็จขั้นธรรม ขั้นต่างๆจนถึงมีศรัทธานับถือพระไตรสนานคมแล้วจะไปที่ไหนก็นโน้มน้าวมาหาจิตมาหาใจมาหาทางพ้นทุกข์อีกเหมือนกันท่านก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนไม่ใช่ท่านจะแนะนําสั่งสอนแต่พระอย่างเดียวท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนคือปูมาจากรากหญาก่อ น, นพูดง่ายๆ อปู่มาจากศรัทธาญาติโยมก่อนแต่ยุคสมัยนั้นมีคนต่อต้านมีเอเขาก็บอกว่าเนี่ยศิท ธ, ธิ์ธรรมนคนเข้ามาบวชมากจนเกินไปโลกจะสาบสูญ น, นะความโง่มันเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับไชเดือนกินดินกินไปกินมากกลัวแผ่นดินจะหมดลักษณะอย่างนั้นอ่ะออันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะโลกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกระลิงขึ้นไป น, นอนอยู่บนต้นไม้พอดึกๆลงมาก็เอามือมาคลําแผ่นดิน วัวแผ่นดินจะหายฮอย่างนั้นแหละเพราะเหตุไรเพราะมันโง่ผลที่สุดพอลงมากลางคืนตาก็ไม่สว่างเสือก็ตะปบกินซะเออย่างเนี้ยพราเหตุไรมนุษย์ของเราก็เหมือนกันนั่นแหละคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็ต่อต้านมไม่ใช่น้อยเหมือนกันกิเลสกับธรรมเนี่ยมันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรให้พวกเราดูหัวใจใพวกเราก็แล้วกันถ้าอยากจะมาวัดนกิเลสส่วนหนึ่งก็ถ่วงเอาไว้ อถ่วงเอาไว้ไม hey, okay, ่อยากจะให้ไปเพอฉะนั้นก็ยื้อกันจนพอแรงกว่าที่จะมาสู่คุณงามความดีได้กว่าจะเข้ามาวัดวาศาสนาได้กว่าจะมาวัดมาบวชในพระพุทธศาสนาได้กว่าจะไหว้พระสวดมนต์ได้แต่ละครั้งอยื้อกับกิเลสจนพอแรงว่ากันเถอะเผลอๆบางครั้งก็สู้กิเลสไม่ได้อีกต่างหากกิเลสกระชากกลากถูออกไปมอมแแมมไปหมดว่างั้นเถอะเราสู้กิเลสไม่ได้ บางคนก็ถลํมไปเลยหายเนียบไปบางคนก็ยังฝืนใจสู้ขึ้นมาบ้างมาไหว้พระสวดมนต์มาประกอบคุณงามความดีอันนี้ก็มีอยู่เพราะโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นสรุปแล้วก็คือกิเลสฝ่ายต่ำเนี่ยมันชักลากถูเราลงได้ไง่ายๆกิเลสฝ่ายสูงที่จะส่งเสริมสูงสงขึ้นมาเนี่ยคนโบ ร, ราณโบราณท่านถึงปเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับน้าไหลลงต่า การทำความชั่วนเหมือนน้ำไหลลงต่ำแต่ถ้าว่าทำคุณงามความดีนั้นเหมือนกิ่งคลกขึ้นเขาไ <c oughs> กิ่งของกลมกลมขึ้นเขามันมีแต่จะไหลทับตัวเองอยู่อย่างนั้นนี่แหละถึงยังไงก็ตามถ้าเรารู้แล้วว่าการกิ่งคลกขึ้นเขานั้นเป็นคุณงามความดีเป็นนิยานิกระทั่มทำใจของเราให้มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเราต้องฝืนเราต้องสู้ เหมือนกับเราเรียนหนังสือการเรียนหนังสือกับไม่เรียนหนังสืออันไหนสบายตัวกันถ้าเป็นเด็กๆเราก็คิดว่าไม่เรียนสบายกว่าเรียนหนังสือมันทุกมันใช้หัวเตรียมอะไรต่อไม่อะไรแข่งกับคนอื่นตักหาทุกถ้าเราคิดเพียงแค่ว่าการเรียนหนังสือนั้นเป็นทุกไม่เอาละเราไม่เรียนดีกว่าและผลการเรียนกับไม่เรียนอันไหนมีคุณค่ามีประโยชน์กว่ากันถ้าเรามาเปรียบเทียบดูแล้วการเรียนหนังสือนั้น มีคุณค่ามีประโยชน์กว่าถึงจะทุกข์ยากลําบากยังไงเราก็ต้องพยายามเรียนต้องพยายามสู้ในการศึกษานี้ก็เหมือนกันการสร้างคุณงามความดีของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่ทําดีไหมดีสบายไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทําล่ะดีไหมถ้าคิดไปในอนาคตแล้วดีเพราะเหตุใดบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราใจของพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุข นึกขึ้นเวลาใดก็สบายอกสบายใจเมื่อใจจะหลับตาลาโลกเราก็ระลึกถึงอะไรถ้าไม่ระลึกถึงบุญถ้าระลึกถึงบาปนบาปอากุศลมิแต่ฟืนมิแต่ไฟจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราถ้าเราคิดถึงบุญถึงกุศลแล้วนั่นแหละท่นี่บุญกุศลจะเข้ามาเป็นเพื่อนสองของใจเป็นพาหนะนำจิตใจของเราไปสู่สุขติภพตามบุญตามกุศลที่พวกเราได้บาเพ็ญมา นี่แหละคณะสัาาตยาธิโยมพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพุทธองค์จึงว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสําหรับฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ที่บวชมาในพุทธศาสนามีภาระน้อยไม่มีอะไรภาระของเราก็คือบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าวัตถุ ข, ของเราไม่มีแล้วเราไม่ได้ทําไร่ทํานาทารั้วทาสวนทำมาค้าขายเพราะเราเป็นพระเราตัดออกหมดแล้วเราก็ไม่ควรแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีก ถ้าเราสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับพระเทวทัตสแสวงหาขี้เสลขี้เถรเพราพระพุทธเจ้าท่านบอกพระรหารขี้เถรพระพุทธเจ้าขี้เถรของพระทหารสาวกถุยออกไปจากน้ำลายแล้วพระที่ไม่มุ่งหวังในธรรมกบแจ้งกันเกลียแย่งกันกินขี้ถุยขี้เถรเหล่านั้นน่ะเพราะนั้นเราจะเป็นพระประเภทไหนขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มุ่งมั่นในธรรมสรุปแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร เรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลพระปฏิโมกข์ของพระคืออะไร2องยาายี่ิศีลอภิสมัยฌานที่มากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ไม่สามารถที่จะนับได้ว่าศีลอภิสมาายัยฌานนั้นมากเท่าไหร่คือสรุปแล้วก็คือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละเป็นอภิสมาายัยฌานแต่ว่าหลักๆ ก, ก็คือ2องยยีอันนี้คือศีลของพระ พระท่าขอให้พวกเราที่เป็นพระที่อยู่วงในเข้ามาศึกษาปฏิบัติในวงในให้ตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ถูกอย่าทำนะถ้าทำไปแล้วคณะศรัทธาญาติโยมภายนอกเขาเห็นพระทำตัวไม่ดีอย่างนู้นทำตัวไม่ดีอย่างนี้ถ้าเราเป็นครวัตเราตำหนิเราได้ไหมถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราตำหนิได้อยู่พวกท่านทั้งหลายอย่าลิธรรมอย่าทำถ้าทาไปแล้วตัวเองน่นะ ออกไปข้างนอกตำหนิเราได้แต่เรากลับมาทําเซเองอย่างนี้ถ้าเราเป็นครวัตพระอย่จะนี้เรากลับไม่ลงแต่พอเรามาปวดเป็นพระเรากลับมาทําเซเองแล้วจะกลาบเราลงได้ไหมนี่ถ้าเขาเห็นเราเขาจะกลาบเราลงได้ไหมนี่สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราที่เป็นพระที่อยูงวงในเป็นนักพรตนักปวดก็ขอให้พวกเราสำเนียกสำเนียกสำนึกไว้ในใจตลอดเวลาอันนี้ก็คือพระ ที่จะเป็นพระที่ดีได้จากนั้นก็เมื่อศีลของเราดีแล้วสมาธิของเราก็มั่นคงเพราะเหตุใดเพราะเราจิตใจของเราไม่ได้ปุง่งฟุ้งออกไปข้างนอกมีแต่อยู่ในจิตในใจมีแต่เรื่องสมาธิภายนอกเราก็เป็นศีลสองยี่สิศีลอภิสมาจาร์เป็นรั้วกัน้นไม่ให้จิตใจของเราเล็ดหลอดออกไปหาความชั่วช้าเสียหายละเรามีแต่พยายามดูจิตดูใจของตนเองพอนั่งภาวนา ใจของเราก็ไม่ได้ไหลไปสูบว่าเมื่อวานนี้เราพูดให้ใครฟังเราด่าใครเราไปทําให้แก่ใครเออจนเขาเดือดร้อนผูนวายเขาจะมาปรับไหม้เสีโทษเขาจะมาไปชุมไล่เราออกจากวัด อ, อหรือว่าพระครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนจะไล่เราออกอยู่เพราะเราทําตัวไม่ดีอย่างนี้เมื่อเราทําตัวไม่ดีการพูดไม่ดีการกระทําไม่ดีเราก็พิตกกังวล ไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้เพราะอะไรเพราะศีลของเราไม่ดีนะเมื่อศีลของเราตรวจตาดูแล้วเรามั่นใจถึงใครจะตําหนิจุดนั้นแต่เราไม่ทําอย่างนั้นเราเชื่อมั่นในตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นนะถึงยังไงถึงใครจะกล่าวโทษขนาดไหนใจของเราก็มั่นคงเพราะาเราเชื่อมั่นในตัวของเราจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้ง่าย เมื่อภาวนาทำใจให้สงบได้ง่ายเพราะเหตุใดเพราะใจของเราไม่วิตกกังวลกับเรื่องต่างๆเนี่ยเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วทนทไนำจิตใจที่สงบนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเห็นจริงขึ้นมาได้เห็นจริงยังไงแต่พิจารณาถึงความตายก็เห็นความตายจริงๆโอ้ความตายนี่น้าผัวจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นแต่ในตาในสัญญาในสังขาร สัญญาคือความจำแหละคนทั้งหมดต้องตายจำมาได้อย่างนั้นสังขารคือความปรุงแต่งคนทุกคนก็ต้องตายแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาทีนี้เห็นความตายด้วยปัญญาโู้เรานี่จะต้องตายจบชีวิตไปในชีวิตหนึ่งอีก้างหน้าไม่นานเมื่อตายไปแล้วเราเพียงพอหรื อ, อยังคุณงามความดีของเราเพียงพอหรื อ, อยังเราเป็นผู้หลุดพ้นจากอาชวกิเลสหรื อ, อยัง อันนี้ถ้าว่าเราพ้นทุกอสะวะกิเลสแล้วนั่นแหละเราสบายใจแต่ถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังวิตกกังวลอยู่เพราะว่าเรายังไม่พ้นทุกกิเลสในหัวใจของเรายังมีอยู่อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาพิจารณาอะไรเมื่อพิจารณาถึงความตายเห็นความสลดสังเวชพยายามเร่งความเพียรอยากจะพ้นทุกคำว่าอยากอยากคำนี้นะ อยากได้เงินทรัพย์สมบัติอยากอย่างอื่นนะเป็นกิเลสเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นตัวกิเลสแต่อยากจะพ้นทุกเนี่ยเป็นมักให้พวกเราแยกให้ออกถ้าอยากพ้นทุกนในวัฏสงสารอยากหนีจากทุกพิจารณาเมื่อไรเห็นแต่ทุกขเราอยากหนีจากทุกเนี่ยแหละเป็นมักคะคือเป็นหนทางถ้าคนไม่อยากไม่มีความอยากเสลยก็ไม่มีความกระตือรือร้นอยู่เฉยเฉยเหมยเหมยชังกระตายแต่ละวันะเพราะ มันไม่มีความอยากผลที่สุดตัวกิเลสถึงตัวจะไม่อยากทางธรรมนะกิเลสมันไม่อยู่อย่างนั้นนะมันจะชักลากมันไหลลงไปทางต่ำอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นแหละเพราะฉนั้นพอให้พวกเราทุกๆท่านนะบําเพ็ญเรื่องจิตภาวนาจะกําหนดกรรมฐานไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาให้จริงจังนะจากนั้นก็ดูใจของตอนเองมันติดมันข้องกับอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องกิเลสราคะเนี่ยตัวสําคัญ โตัโมหะไอตัราคะโทสะโลภโกรดหลงเนี่ยนะมันไม่มีไปที่ไหนหรอกอยู่ในจิตในใจของพวกเราถ้าเราตรวจตราด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วเราจะเห็นได้ด้วยสติด้วยปัญญาของพวกเราจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสถึงจะไม่ถอดถอนก็ยังสู้กับมันตุปัตตุเปยทุรักทุเลเหมนกันแต่แต่อีกสักวันหนึ่งเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นสติปัญญาของเราดี สติปัญญามหาปัญญาของเรามหาสติของเราเข้มแข็งขึ้นกิเลสมันต้องเพียงพ้าไปอีกสักวันหนึ่งเราต้องนอกนอกกิเลสลงกับพื้นให้ได้เพราะงั้นแต่แต่ทางว่าพวกเรากินตามอําเภอใจนอนตามอําเภอใจพูดตามอําเภอใจคุกคีตีโมงตามอําเภอใจมีแต่กิเลสนอกเราทั้งเช้าต้องเย็นทั้งเดือนทั้งปีเนะี่ยจิตใจของเราจะหาความสงบพรมเย็นผาสุขไม่ได้ทาง คนทุกข์ในวัฏฏะสงสารเนี่ยริบหรี่เต็มทนเหมือนันเถอะแต่ถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทำเจิดจ้าขึ้นสู่จิตใจของเราแล้วนั่นแหะกิเลสนี่ล้อยหลอลงไปเรื่อยเรื่อยแล้วเหมือนกันเถอะพราเราเอาชนะมันไนงะเพราะนั้นมันไม่อยู่สองท่านเองเนีย่ยในใจของเรากิเลสกับธรรมนั่นแหะเหมือนกับนักมวยคู่เอกอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรามีสติเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นได้นะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วเห็นไม่ได้มองไม่เห็น อันไหนคือดาอันไหนคือขาวมองไม่เห็นทั้งนั้นแ่ะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาในจิตในใจแล้วเราจะมองเห็นได้นะวันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดในแนวหนึ่งบางวันก็ให้แนวความคิดอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมีแนวความคิดลากหลยอย่าไปมู่หวังทางโลกจุดยืนของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไร จุดที่มุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งมั่นของพระอรหันตสาวกคืออะไรให้พวกเราจับจุดให้ได้จุดที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตําหนินั้นคืออะไรท่านไม่ได้ชมว่าคนนั้นร่ํารวยมีเงินคําทราพัพย์สมบัติเป็นนักพจน์นักบวชแล้วไปขอเงินเขาได้มาแล้วใส่พกใส่หอของตอนเองมากมายพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องนะ แต่ได้มาก็อย่างหลวงตาที่ท่านได้มาท่านเฉลือเผือแผ่อันนั้นมันผ่านก็มาโดยที่ท่านไม่ได้ขอนะทำบุญมาผ่านมือท่านมาท่านก็ให้ไปอันนั้นเป็นมหาบุรุษแปลว่าเป็นผู้ไม่ติดเหมือนกับใบบัวกับน้ำอย่างนั้นนะน้ำอยู่ในใบบัวอย่างนั้นมันไม่ติดกันเพราะเหตุใดถึงจะอยู่ในกิเลสก็ไม่ติดในลาภในยศในสรรเสริญพร้อมที่จะสลัด ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอันนี้แหละคือผู้มีเมตตานะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะแนวความคิดของพทุทธศาสนามีมากหลากหลายอย่างไม่ใช่ซื่อบื้อไปทางเดียวไม่ใช่นะโจโลไปทางเดียวไม่ได้เลยซื่อบื้อไปทางเดียวไม่ได้เราะฉะั้นมีแง่มุมหลายๆอย่างที่ให้พวกเราได้คิดได้ศึกษาอันตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร